มีภาระกับไม่มีภาระอันไหนดี ก, กันเอาไม่มีภาระดีกว่าเอ๊ะถ้าออกจากภาระเป็นความดีถึงยังต้องรับภาระอยู่แต่ก็เห็นว่าการออกจากภาระเป็นความดีอันนั้นแหละเรียกว่าอุปนิสัยวิวัตตะค่อนข้างดีก็ท่านแสดงไว้ว่าสภาวะของผู้ที่บรรลุมรคนหรือพระอรหันต์นั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสุขทุกอิอริยาบทในที่กล่าวไว้นี่นะฮะเป็นเป็น เป็นมนุษย์หรือเป็นบุคคลที่มีความสุขทุกอิเลียาบดอย่าเรานึกภาพไม่เอาเลยแต่ด้วยสรพพยุติยาณและพระองค์ตัดไว้นี่นะเราเราศรัทธาเร า, าเชื่ออย่างอย่างนี้เราก็คิดดูนะถ้าเราศึกษาสังฆคุณเนี่ยนะสังฆานุสติเนี่ยอย่างเจ้าพัทยะที่ออกบวชเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์คือที่กำลังครองบัลลังก์อยู่เนี่ยนะแต่ว่าเพื่อนชวนบวชอะเจ้าอนุรุทธาไปชวนบวชอะรักเพื่อนมากะนะ แล้วก็เป็นกติกาของทุกตระกูลต้องออกบวช ด, ด้วยก็เลยต้องสละบัลลังก์ออกบวชทั้งๆ ท, ที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหถาทองคํามีทหารเสนารักษมีบริบูรณ์เต็มเปี่ยมหมดเลยนะพอบวชเข้ามาพ อ, พอท่านมนรรลุเป็นพระอรหันต์ตายที่ไหนท่านจะนั่งวสุกเนอสุกเนาะนะสุกเนอสุกเนอะท้าพี่สุกเขบอกเอ๊สงสัยจะคิดถึงสุกสมัยก่อนมั้งเลยมานั่งคิดว่าสุกเนอสุกเนอก็เรื่องก็ถึงพระพุทธเจ้าก็บอก เจ้า พ, พระพัติยะนี้ท่านก็บอกว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเนี่ยนะมีคนดูแลแต่ข้าพเจ้าระแวงอยู่ตลอดเวลาเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยนะลำบากใจอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตรงนี้ไม่มีความลำบากใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะจะเข้าเอกพระสมาบัตินะเมื่อไหร่ก็ได้อะไรจะเรียกว่าไม่มีอา ร, รมณปจัจจัยใดที่จะสุขเท่านิ้พานอีกแล้วเนี่ยนะ เพาะจิตมันก็น้อมไปอย่างนั้นมากดงั้นโดยเฉพาะผ้าเลอารหันที่ท่านเข้าแบบนั้นได้อนั้นก็เป็นความสุขของท่านอยู่แล้วแต่ของเราเราถ้าเห็นว่าอย่างนั้นเป็นสุขแต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันนะเพราะสัตว์ทั้งหลายเห็นปิยรูปสาตโรคว่าน่ารักเห็นนิพานว่าปฏิกูลพระอริยะเห็นนิพานว่าน่ารัดีเป็นของดีเห็นอารมณ์ทั่วไปว่าปฏิกูลนะครับมันก็เลยมีความแตกต่างกันอย่างนี้ ทีนี้ถ้ามีความแตกต่างกันอย่างนี้โดยอัทยาศาัยก่อนไอการที่จะน้อมไปเป็นแบบนั้นก็ไม่ใช่ฐานนะเมื่อการน้อมแบบนั้นไม่ใช่ฐานะนะคำสอนเหล่านี้มันจะไม่มีประโยชน์อยนีน้คือไม่คิดจะผ่าตัดนะมีดผ่าตัดก็ไม่รู้จะมีประโยชน์ทำอะไรนะก็ไม่คิดว่าจะเอาลำไส้เน่าๆออกไปเนี่ยนะ มีดหมอไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรเก็บก็เกะ ก, ก, กะทิ้งไปเถอะเนี่ยนะชั้นใดก็ดีผู้ที่ยังปรารถนาชื่นชมในอุปาทานขันห้าชื่นชมในตาหูจมูกลิ้นกายใจคําสอนในส่วนนี้จกสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นจะไม่นึกว่ามีประโยชน์ด้วยซ้ำไปมีประโยชน์ยังไง น, นะฟังเขาเรียกว่าไม่เห็นคุณของเนคขม ะ, นะ อ, ะอย่างที่เคยกล่าวไปนะว่าอัธยาศัยของผู้ที่จะ บ, บรรลุมรรคผลมี6นะ จะใครก็ช่างเถอะไม่ไม่จําเป็นต้องพระพุทธเจ้าแต่ผู้ที่จะบําเพ็ญบารมีต้องเป็นอย่างนั้นแต่พระอริยะบุคคลทั้งหมดจะต้องมีอัธยาศัยเหมือนกัน6คือ1เห็นโทษของโลภะสมีอัธยาศัยเห็นโทษของโทสะ3มีอัธยาศัยเห็นโทษของโมหะข้อ3เออข้อ4มีอัธยาศัยเห็นโทษของกามข้อหมีอัธยาศัยเห็นโทษของการคลุกคลีหกมีอัธยาศัยเห็นโทษของสังขารทุกชนิด หรือพบก็คือสังขานรนั่นแหละเห็นภัยของสังขารทั้งหมดเนี่ยนะจิตเนี่ยน้อมไปเพื่อความอะนะความอ่น้อมไปเพื่อให้อโลพาเกิดอโทสะเกิดอะโมหะเกิดตลอดน้อมเอนี่ถ้าเรามีอะโลภานะถ้าเราไม่ติดข้องในทุกอย่างจะมีความสุขดีหนอ นี่ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเสียใจกับสิ่งใดเลยเนี่ยจะเป็นความสุขจริงเนาะนี่ถ้าเราไม่ลุ่มหลงในทุกอารมณ์เนี่ยจะมีความสุขดีเนาะนี่ถ้าเราไม่ผูกพันกับวัตถุใดๆเลยเนี่ยสงสัยจะไม่เดือดร้อนเลยเนาะนี่ถ้าหากว่าเราเอ่อคนที่คลุกคลีมากๆนะถ้าเห็นความนี่ถ้าเหมือนกับแบบผู้บริหารทั้งหลายแหละนะนี่ถ้าตัดภาระการบริหารไปนี่สงสัยจะสบายเลยน ะ, ะทั่วๆไปเนี่ยเขาจะคิดกันอย่างนี้ไย ฉันจะรับภาระเท่านั้นเนี่เดี๋ยวช่วงนั้นหมดภาระสบายแน่นอนก็คือเออเนี่ยถ้าตัดภาระทั้งหมดออกไปจะสบายขนาดไหนพบทั้งหลายนะถ้าไม่เกิดในภพต่างๆเนี่ยก็จะสบายขนาดไหนเนี่ยก็แค่แบบทั่วโลกนั้นไปเกิดประเทศที่เขามีสงครามนะถ้ามาเกิดประเทศที่มันเย็นหน่อยเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเออดีเหลือเกินเนี่ยนี่ถ้าหากว่าพ้นจากสังขารนี่จะดีขนาดไหนไอ้ไอัธยาศัยอันนี้ต้องหมัน่นเรียกว่าน้อมให้ตัวเองโน้มไปแบบนี้มากๆๆๆอ่ะนะ ถ้าคนที่ทําได้ขนาดนั้นและเจริญได้ทั้งวันทั้งคืนอ่ะพวกนี้เขาเรียกว่าพระหิตัดโตผู้มีตนส่งไปแล้วนันะงั้นพระอรหะอรยะทั้งหลายเนี่ยท่านจะมีตนส่งไปแล้วถ้าถ้าไปเจริญเองนะแต่ถ้าไม่เจริญเองแล้วฟังบรรลุนะอันเนี้ยผู้สอนเขาเขาอันนเดอเดอโดยเฉพะสมัยพุทธกาลเป็นต้นอ่ะพระองค์งน้อมให้อย่างอย่างมีพระรูปหนึ่งอ่ะท่านเป็นคงที่ติดข้องในในเพศตรงข้ามมากเลยนะ พออสุภาทิ้งปุ๊บนิดเดียวแค่นั้นนะโอ้โหราคามันชุ่มหมดเลยอ่านะอยู่ป่าช้าเกือบตลอดอนะว่าออกจากป่าช้าอาอีกแล้วเข้าป่าช้าใหม่ออกจากป่าช้าเดือดร้อนอีกแล้วมันก็อยู่อย่างนี้เดือดร้อนตลอดอ่ะอนะเป็นเครียกว่าราคาจริตแรงกล้า ม, มากทีนี้พระ อ, องค์ก็ ต, นตนนอนนีรมิตศพคนยังไงนะแต่เป็นศพใหม่ศพเลยเสร็จแล้วก็ ให้ศพเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจนถึงว่าแหลบเป็นกระดูกเป็นผุยผงเนี่ยนะความเปลี่ยนแปลงของศพตั้งแต่ตาเริ่มตายจนถึงจนถึงโน่นอะเหลือแต่ผุยผงอะนีคือให้เห็นภาพพอภาพอันนั้นปั๊บท่านเอามาคิดมากๆคิดอย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตของท่านจึงน้อมไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเนี่ยนะถ้าไม่เห็นภัยแบบนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะมันก็ติดข้องท่านไอการเห็นภัยของบาปอกุศลเนี่ยเป็น ที่สาคัญที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นอัธยาศัยที่จะต้องพ่อพูนให้มา ก, มากๆเนี่ยนะถึงถามว่าถึงเราไม่เห็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องตัง้ตงความปรารถนาเพื่อให้คิดแบบนั้นคือเราก็ไม่ต้องไปอนุรักษ์นิยมอะไรว่าเรามันปุตุชนนะ่ะอันนี้อนุรักษ์กันมากก็ดูเหมือนว่ามันดีเหลือเกินมันเท่ยังไงไม่ทราบนะไอ้ปุตุชนอย่างเราพูดคำํำน้องคำเนี่ยปุตุชนน่ยโดยที่สุดแม่แต่ในสภาอย่างพูดไอ้ปุตุชนอย่างเราเนี่ย ไม่รู้อนุรักษ์เอาไว้ทําอะไรก็ไม่รูไม่เห็นมันดีตรงไหนเลยนะผมมาไม่เห็นดีสักอย่างอนะคืออย่าไปให้ค่ามันมากเนี่ยนะถ้าคุณมันมีไม่ต้องไปให้ค่ามันมากปุถุชนอย่างเราไอ้เรามันปุถุชนมันต้องมีอยู่แล้วเนี่ยเออเหมือนกัว่ามันดีเหลือเกินเนี่ยนะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะทํายังไงที่จะบอกว่ายินดีที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ว่างั้นมันไม่ดีมันไม่ดีนะก็รู้ว่ามันมีแต่ว่าก็รู้ว่ามันไม่ดีก็ต้องน้อมที่จะเห็นโทษถ้าไม่น้อมที่จะเห็นโทษก็มา ไม่เป็นไรอนเราะเราจะไปว่าอะไรเขาอันนี้ก็เล่าให้ฟังเวลาเราทช่วยเราก็าวเราดาบันนั่นแหละเนี่ยถ้าเรายังโธสะเกิดก่อนธรรมดาเราไม่ใช่อนาคามีสิทธิทิเกิดก่อนเราไม่ใช่สัสดาบันอนก็คือแยกนะก็แต่ก็ก็เาบอกตัวเขาเองว่าเขาเป็นคนห่างจากพระอริยนะ เขาเป็นชนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ไม่ใช่กลุ่มอริยะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่ากลุ่มผ้าอริยะท่านทนแล้วจากบวงอะนะแต่ของเราเนี่ยเดินเข้าไปหาบวงเหมือนกันเถอะก็ยอมรับว่าเออฉันยังมีนรกเป็นที่ไปอยู่เหมือนกันฉันยังมีเปรตเป็นที่ไปอยู่ฉันยังมีเรดเฉเรฉ า, านเป็นที่ไปอยู่ฉันยังเกิดในครันอีกบ่อยอยู่เมื่อคืนสนทนากับหมอหมอคนนึ้งนั่งเครื่องมาด้วยกันนั่งใครกับหม อ, อไหนหมอ แผนกเขาบอกว่าเขาเชี่ยวชาญในเรื่องเด็กในคันอแล้วหมอทำไงทำแท้งรึเปล่าบอกผมก็ต่อต้าเรื่องการทำแท้งอยู่นะครัแต่ว่าแต่ถ้ามันเป็นอันตรายต่อแม่ผมก็ต้องแนะนำแนะนำนะชี้โพรงให้กระโรค ก, ก็หูก็นั่งนึงกเัย ห, หมอขาดทุนนะลงทุนมากไปไมั้ย นั้นก็ถ้าคิดอย่างนั้ปั๊บถ้าเรากันนะห้ามคนอื่นเกิดเนี่นะแต่ไม่ได้คิดว่าไอ้เราเนี่ยพร้อมจะไปอยู่แบบนั้นได้หมดเลยเราเนี่ยพร้อมที่จะไปเป็นเด็กชนิดนั้นหมดะเด็กที่อย่างน ะ, นะ้นก็คุยแย้ยําว่าเด็กที่เขาเกิดมาเขาถูกฆ่าเนี่ยนะเพราะเขาทําเหตุแบบคุณนั่นแหละอ่นะอยากจะพูดแบบนี้เลยจ้ําไปอ่านะ <c oughs> จริงอ่ะนะเราไปบอกว่าเขามันนํามาซึ่งอันตรายแบบนั้นแบบนี้ต้องเขาเอาเขาออกอันนี้คือเหตุผลของเราที่ไปทําอนะ จริงอะ่ะเด็กมันก็อยากจะฟ้องเราว่าเขาเคยทําแบบคุณนั่นแหละเขาจริงจ้งขู่เอาออกนั้นเด็กที่ตายนะั้นมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่อีคนที่ไปคิดการใหม่นี่สิเสียหายแต่คนที่จะสํานวนว่าพวกอายุสั้นนะเด็กที่เกิดมาพิการว่ายังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วอันนี้คือคือเข้ามาบอกว่านี่คือผลของบาปของเขาแต่ที่บุญอาเหตุกะนําปฏิสนธิแต่บาปมันมีกําลังมากนะคือคือเขาเป็นกลุ่มอาเหตุุกะปฏิสนธิ อันนั้นเป็นผลบุญนะนําเกิดแต่ว่าบาปมันที่เป็นบริวารเนี่ยมันมีกําลังแรงมากมาเบียดเบียนมากอนะัเพราะฉะนั้นเขาก็พร้อมที่จะจุติยังไงเขาก็ตายอยู่แล้วอายุสั้นแต่ทีนี้ของสมมุติว่าเขาอีกสามเดือนจะตายอย่างเงี้ยนะแต่ของเราไปช่วยให้ตายาสัวันนี้เลย <och S 1> เพื่ออะไรเพื่อจะขอแบ่งบาปนะแต่จริงมันก็ต่อแบบผู้การว่าเราเห็นเขาโ ก, กรธล้วก็อยากโกรธ ด, ด้วยใช่ไหมเห็นเขานี่กลุ่มพวกเหล่านี้มันมันใกล้กันเหมือนกันนะ เพ้นพวกบาปประเภทปานาติบาตมันก็มาเชื่อมให้กรรมแบบปานาติบาตเนี่ยเกิดขึ้นอีกนั่นก็เหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าเขาฆ่าเราเราก็ต้องฆ่าเขาตอบอะนะปานาติบาตมันจะใกล้กันเพระองค์บอกว่าปานาพวกทําปานาติบาตจะใกล้กันพวกอทาทินทาตุคืออาทินนาธานมันก็จะใกล้กันถ้ทาทคือการเมสุมิชฉาจาร์มันก็จะใกล้กันอีกถ้ทาทคือมุสาวาทมันจะใกล้กัน ก็บอกว่าไกลกันโดยใกล้ใก ล, ใกล้โดยมิจฉามักก็มีใกล้โดยอากุศลกรรมบทก็มีอันนี้ก็ทงก็ตัดไว้นะดังนั้นก็กนักนึกนกันนะว่าเออเราก็พร้อมที่จะปฏิสนธิะทุกขนทุกแห่งนะถ้าตัดเชื้อแห่งปฏิสนธิไม่ได้นะก็ให้เห็นภัยนะครัการเห็นจกักตามเห็นจักสุเป็นต้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอนะ่ะจึงมีคุณอย่างนี้เพราะจะพาให้ออกจากทุกโทษทั้งหมดเหล่านั้นได้ นะท่า น, น ไ, อไอ้สำคัญโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะตรงเนี้ยพระองค์ไม่ถ้าเป็นอนิจจสัญญานะโดยมาจะใช้คําว่าอนิจจสัญญาถามว่าทําไมจึงเน้นคําว่าอนิจจสัญญาคือให้เข้าไปสําคัญแบบนั้นจริงๆให้ไปยอมรับแบบนั้นจริงๆว่ามันไม่เที่ยงนะ ค, คือจะไม่ใช้ว่าอนิจจปัญญาใช่ไหม คือปัญญามันแค่อย่างถึงเฉยๆแต่แต่พระจริงๆก็คือปัญญานี่แหละแต่ใช้ศัพท์ว่าอนิจจสัญญาคือให้สําคัญแบบนั้นจริงๆให้ยอมรับแบบนั้นด้วยใจจริงๆว่าเออนี่จกักษุที่ดูอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงนะยอมรับแบบนั้นนะะจิตน้อมไปที่จะยอมรับวสติตาเนี่ยไม่เที่ยงนะสีที่เห็นก็ไม่เที่ยงจิตเห็นก็ไม่เที่ยง ภาษาเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะแม้ในอดีตสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วอนาคตต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงปัจจุบันนี้ก็ไม่เที่ยงบุคคลภายนอกทั้งหมดก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะแล้วเรายังเพิดเพลินมุ่งหวังเพื่อสิ่งไม่เที่ยงอีกอยู่หรือเนี่ยนะก็จิตก็น้อมไปเพื่อที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ก็บอกว่าข้อปฏิบัติของพระอริยมีพระโสดาบันเป็นต้นก็บอกว่าแย่เข้าไปในทวารไหนนะหดหมดเลย ถ้าเป็นเป็นผู้ที่ที่เขาเจริญเพื่อออกนะคิดว่าจิตน้อมไปในทวารตาปับ๊บมันจะหดกลับจากทวารตาหมดคดํา ว, ว่าหดแปลว่าไม่ยินดีอุปมาเหมือนอย่างว่าขนไก่ที่แย่เข้าไปในไฟหรือเส้นเอ็นที่แย่เข้าไปในไฟนะเขาก็แย่ไปไฟอันไหนมันก็หดหมดใช่ไหมปัญญาของพระอริยะทั้งหลายหรือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยน้อมมาทวารตาปั๊บก็ใจนี่ถอยกลับจากทวารตาหมดเลยคือไม่เข้าไปเพลิดเพลินในทวารตา พอ่ น, นะน้อมไปเพื่อจะรับรู้เสียงปั๊บจิตก็น้อมถอยกลับไม่ไปเพลิดเพลินในทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจจิตก็ถอยหันหลังกลับมาหมดครานั้นเขาจึงใช้สวาววิวัตานี่ตรงตัววัตะแปลว่าไปวิปฏิเสธแลลว่ากลับก็คือพวกหันหลังกลับนั่นเองก็มีถามบางคนก็มาถามว่าทําไมพระไตรปิฎกเขาอ่านไม่ไปเลยเขาอ่านกันแต่อ่านแล้วอ่นไม่เห็นสนุกเลยอ่านไม่ไปเลย มันจะไปได้ยังไงเพราะเป็นคําสอนประเภทกลับนะเขาคิดแต่เรื่องไปอย่างเดียวใช่ไหมเขาไม่ได้คิดเรื่องกลับอนะเพราะฉะนั้นยังไงเขาก็จะอ่านไม่เข้าใจนัโยมก็ถามผมอ่านไม่ไปเลยนะพระตายไปดกเลยนะแล้วก็น well. ึกอ๋อใช่แล้วมันจะไปได้ยังไงเพราะเขาชวนกลับเนี่ยพูดจะไปอย่างเดียวอ่ะนะมันก็คนละเรื่องกันอยู่แล้วนั่นก็ปกติของเราเนี่ยจะไปอ่ะนะจะไปดูอย่างเดียวแต่คําสอนน้อมไปบอกตามันเร็วมากมันไม่ดีพันก็เลยเขาบอกว่าฟังแล้วไม่เข้าใจแบบนั้นนะ กระตายพิดกไม่ค่อยมีคนอ่านนะของมาตอนหลังเลยไม่ค่อยแปลกใจเมื่อก่อนก็เฮ็ดีนะทำไมเขาไม่อ่านกันโอ้ดีจนตอนนียอมรับแล้วโอ้ใช่มันมันทวนเข้าหมดเลยอ่ะนะเขาบอกว่าไปใต้เหรออันนี้บอกไปเหนืออันนั้นมันดีนะอันนี้บอกใช่ไม่ได้อันนั้นมันสุกนะอันนี้บอกเป็นทุกข์ยางไงมันก็เลยกลับกลับกลําไปหมดอน่ะนะเพราะต่อไปเนี่ยเขาก็จะเลิกศึกษากันแต่ก็ก็ปกติอยู่แล้ว พระ อ, องค์ก็พยากรณ์ไว้แล้วว่าต่อไปในอนาคตนะพวกพิสูจเป็นต้นเนี่ยก็จะไม่ฟังแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าไปฟังคําของบุญนอื่นที่เขาแต่งดีกว่าสละสลวยสัมนวนดีกว่าพระ อ, องค์ก็ว่าอยู่แล้วเนี่ยนะขอถามหน่อยครับคือพรตาไตรปิฎกนี่นะครับที่ผมเคยอ่านถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจอย่าไปอ่านต่อต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ถึงจะเข้าใจถ้าอ่านไม่เข้าใจแล้วอ่านไปเรื่อยเยิ่งไม่รู้เรื่องอ่านถึจบเล่มไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเคย<ม>เคยอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง ต้องกลับเพาเริ่มต้นใหม่แล้อ่านก็เข้าใจเริ่มใหม่ทีละหน้าทีลหน้าทีละถ้าอา่านรวดเดียวไปยี่สิบสามสิบหน้าอะไไม่รู้เรลยแปลกดีวยมั้งยันธรรมดาแ <c oughs> มนแปลกอะไรเลยต้องกลับไปอ่านใหม่ถ้าไม่เข้าใจอันนั้นก็มันมันที่จะนะอพุทธพจน์ที่เราฟังมาบ่อยๆหรือฟังค่อนข้างมากแล้วเกินเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั่นนะแล้วก็ฟังมาค่อนข้างมากแล้วนะทวารหกเนี่ย นะถามคือซึ่งคุ้นเคยอลไรนะจากสุเที่ ย, ยงหรือไม่เที่ยงรูปเที่ยงหรื อ, อ, อไม่เที่ยงจากครูวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงจากครูสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีจากครูสัมผัสเป็นปัจจัยเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเราก็ตอบได้แล้วใช่ไหมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราอันนี้เราก็คุ้้้้นนนนนนนเเคคยยกัััวออีีีีหงงรราาา่ฟํม ถึงร้อยรอบไหมคุณอภาน่าจะเกินแล้วมนะั้งนะเกินแล้วมนะั้ง น, นี่เมื่อเกินเนี่ยคือผลแล้วทำไมมันไม่มีผลอะไรสักอย่างเลยนะก็ดูมันจะเดือนเหมือนเดิมทุกอย่างหมดเลยนะนี่ทําไมมันปกติไปหมดเลยนะหยอดยาอันไหนไปใขรก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอย่างเงี้ยครับชักทบทวนนะนะต้องมาจะพิจารณาตัวเองอยู่เหมือนกันต้องเกิดอะไรขึ้นนะหยอดยาอันนั้นก่อแล้วแคมโนู้นก็เงียบแคมนี้ก็ไม่ไหวนะ ไม่หมดไปตั้งหลายร้อยสูตรแล้วนะเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นยานะกินมาละกอบมาละกอบมาละกอบนะนะ <c oughs> ก็นกึกว่าเอ๊ะทําไมยาเรามันไม่ดีหรื อ, อยังไงนะพระพุทธเจ้าผลิตยาวไว้ดีแล้วนะทำไมไข้มันไม่หายอ๋อไม่น่าเพาพวกเอาไปแต่หน้าหมอแเนมันไม่ค่อยกินเลยไม่น่าน ะ, น, ะนะกินก็เออหมอมาทีก็กินทีอ่นะหมอไม่มาก็เลิกกินนะ <c oughs> นนทวารทั้งหเลยนะทั้งตวารหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยน้อมไปพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอนนคืออย่างอย่างน้อยนะเราก็น่าจะตั้งอัธยาศัยน้อมมาคิดแบบนี้อันนะัว่าจากสุที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นนะทั้งสาสิบเนี่ยน้อมไปถามแบบนี้ย้ำตัวเองอย่างนี้นะวันนั้นวันละหนึ่งเที่ยวนี่ได้ไหมคุณนภงังได้เคยทำํำไหมวันละเที่ยวนึงออจากสุที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข่าอย่างนั้นนะ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์จะ่าคือน้อมไม่มีอัธยาศัยน้อมที่จะคิดแบบนี้นะครบในทวารหกเลยวันละหนึ่งรอบก็ยังดีถ้าเป็นไปได้วันละสามรอบหรือวันละเจ็ดรอบทีนี้ถ้าดีๆเข้าน้อมคิดได้ทั้งวันเนี่ยก็อนุโมทนาด้วยเนี่ยนะแต่ว่าพระอริยะเนี่ยนะท่านบอกว่าท่านเจริญอย่างนี้ได้ทั้งวันนะ่ะถ้าเป็นพภาหารเลยปั๊บเนี่ยไม่มีอารมณ์ไหนที่ท่านไปเห็นว่ามันเที่ยงเลยอ่ะ ไปน้อมหรือสบายๆว่าเออเนี่ยสังขาร น, นี่มันดีนะไม่มีสําหรับผ่ารหัสแม้แต่นิดเดียวจริงๆเลยที่จะน้อมไปเพลินในขันห้าเนี่ยนะไม่มีเลยอ่ะอันนี้สําหรับผู้ที่เขาเจริญเสร็จแล้วนะของเราอย่างน้อยก็ฝึกให้มันได้สั ก, กวันละรอบก็ยังดีนะหรือว่าเอาเช้าค่ําก็ยังดีอ่ะนะเป่ดเช้ามาก็คิดสักครอบหนึ่งนะก่อนนอนก็อีกรอบหนึ่งทีนี้ก็เอาวันหลังเอาเพิ่มกลางวันอีกรอบหนึ่งนะต้องได้รอบนึอนะ ก็ตอนจนเจริญเป็นอัธยาศาัยไปเลยเนี่ยนะก็ถ้าอย่างนั้นก็แจว่นะน่าจะฝึกไปบ้างนะให้จิตมันน้อมไปแบบนั้นบ่อยๆขึ้นน้อมไปที่จะเห็นโทษภัยของทุกข์สัตว์อย่าลืมว่าว่าให้อีกในหนึ่งนะว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือทุกข์ทั้งมวลน่ะที่มีขึ้นณนะที่นั้นก็เนื่องจากฉันทราคะในขันอันนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีฉันทราคาอันนี้นะทุกในภพทั้งมวลไม่มี แต่เนื่องจากฉันนราคะในขันอันนี้นี่แหละที่เราคิดว่ามันไม่เป็นไรเนี่ยนะหรือคิดว่ามันปลอดภัยเนี่ยอันนี้แหละคือตัวเชื่อมที่จะทําให้มีมีทุกทั้งมวลในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยังหมั่นน้อมาพิจารณาบ่อยๆนะเห็นคุณเห็นอา น, นิสง์หรือเห็นกําไรจากการพิจารณาอันนี้มากๆถ้าเห็นกําไรมากเท่าไหร่ก็พิจารณาได้มากเท่านั้นแต่ถ้าไม่คิดว่ามันมีกําไรอะไรก็ก็อย่างว่านะ เขาจะไปว่าอะไรเขาแต่เธอที่สังเกตดูนะฮะก็ถ้าหากว่าถ้าไม่เข้าใจในเรื่องยาตาปริญามาก่อนรู้สึกว่ามันจะพิจารณาตัวไม่เที่ยงนีจะคือให้ในพื้นฐานนะ่ยนะให้น้อมไปก่อนนะนะสำคัญว่าคือถ้าน้อมไปพิจารณาแล้วอะคือมันจะหาข้อมูลเพิ่มไปเรื่อยๆนะคือคือเราให้ลักษณะว่า ไม่สามารถบริบูรณ์ในขณะเดียวเพราะในสิ่งเดียวเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเป็นพิจารณาเป็นร้อยร้อยครั้งแล้วจึงเข้าใจอนนก็เป็นอย่างนั้นจริงไหมครับว่าเมื่อเมื่อพิจารณาตามที่ตามที่พระองค์ทรงตัดไว้ตามสูตร ไ, ไว้ก่อนเนี่ยนะพรพิจารณาพิจารณาไปแล้วเนี่ยก็ต้องลงมาเองจนได้เพราะว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นนะแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยนะอย่างคุณมันชูเล่าให้ฟังมันก่อนว่าในสูตรเดียวที่ท่องได้อยู่แล้วสาธยายได้อยู่แล้วแต่ถ้า แต่ละครั้งนี่เข้าใจไม่เหมือนเดิมคำว่าจาักูุไม่เที่ยงใหม่ๆก็ยอมรับว่ามันไม่เที่ยงเพราะเราเคยเห็นคนตาบอดเป็นต้นไปนึกถึงที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยทีนี้ถ้าไม่เที่ยงไปถ้าบ่อยๆเข้าเอ้ยนีย่แต่ยจะเริ่มคิดถ้าคนนี้นะถ้าขาดอาหารนะเท่านี้ตาอันนี้จะเริ่มมีปัญหาละถ้าหรือว่านี่ถ้ารับแสงเกินไปก็มีปัญหาหรือบริหารไม่ถูกต้องอดหลับอดนอนเป็นต้นนี่นี่เป็นเหตุให้เสื่อมหมดเลยนะเนี่ย ก็จะเริ่มถือพิจารณาถึงปัจจัยที่จะทําให้ตาเสียมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะถ้าน้อมไปพิจารณาแบบนี้ได้บ่อยบ่อยเท่าไหร่ก็ปัญญามันก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ในชั้นแรกก็เอาคิดถึงคนตาบอดไปก่อนเออตามก็ไม่เที่ยงเพราะมันบอดเป็นอะ่นะเนะี่ยอันนี้ก็หยาบไปก่อนนะแต่มันก็เริ่มซออย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอุปมาเหมือนกับบทอะไรสักอย่างที่มันเหมือนโคลกพริกนะครั้งเดียวมไม่แตกอยู่ล้ใช่ไหมขนาดขั่วไว้แล้วอย่างดีนะจำจำวันนี้เคยทำพริกป่นไหม นั่นแหละโคลกไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่ครั้งแล้วมันจึงกระป่นได้นั่นแะอันนี้ก็เหมือนกันถามว่าต้องป่นขนาดไหนก็ต้องเอาเป็นผงจริงๆนั่นแหละะการพิจารณาจนผงขนาดไหนผงจนว่าไม่มีตันหาเป็นที่ตั้งในวัตถุนั้นหรือจนไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นนิมิตว่าเที่ยงแม้แต่อันเดียวเลยอะเอาป่นๆขนาดนั้นจึงกระพอถ้าโอ้แต่ยังเป็นก้อนเป็นก้อ น, เ ป, น, อนเป็นก้อนอยู่โวโคลกอีกนานแบบนั้น แล้วแต่สำคัญนะของมาไม่ได้คิดลักษณะว่าบางคนก็จะให้กําลังใจตัวเองอะนะให้กําลังใจหลอกๆว่าก็เรามันยังไม่เดีอย่างนั้นอย่างเงี้นะใ ห, ให้เหตุผลมาจริงๆอะเราต้องบอกว่าทํายังไงเราจะทําได้บ่อยขึ้นได้มากขึ้นให้ให้บริบูรณ์มากขึ้นอันนี้แหละเป็นกิจที่ที่สาวกทั้งหลายควรตั้งใจเอาไว้เสมอว่าจะต้องเจริญแบบนั้นให้มากๆนะจะว่าจะต้องให้ผลให้ละเอียดให้จนได้นะ จะต้องละเอียดจริงๆอ่ะนะจนว่าโอ้โหมหาพูทธรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแกมหาพูทรูปสามอย่างจานทร์ประโมทมาปราบรอบให้ฟังมันก่อนอ่ะนะที่ว่าไปเจริญยังไงเออเนี่มหาพูทรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแกมหาพูทธรูปสามนะไอ้มหาพูทธรูปเหล่านี้แหละเป็นปัจจัยแกจักสุเมื่อมหาพูทธรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแกมหาพูทรูปสามนมหาพูทรูปหนึ่งอันนั้นมันเสียมหาพูทรูปสามันก็เสียด้วยแล้วจักสุมันจะเหลือได้ยังไงอย่า ง, างนเงี้ยก็ไปไขครววจนว่าไม่มีนิจฉนิมิตอยู่ในนั้นเลย ไม่มีที่ตั้งแห่งตันหาอยู่ในวัตถุนั้นเลยเนี่ยนะเอาเอาจนขนาดนั้นนั่นแหละเพราว่านามะขันก็มาแยกเลยนามะขันหนึ่งเป็นปัจจัยกับน้ำมะขันสามนามะขันส า, สามเป็นปัจจัยกับ น, นามะขันหนึ่งใครควรไปมานะนวัตถุนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาเลยเนี่ยนะก็น้อมไปพิจารณาอย่างนั้นมากมากขึ้นนะนะก็มันสับแบบเนี้บ่อยๆขึ้นเรียนหลวงปู่ท่านอาจารย์ปล้ำมดไปด้วยในเรื่องมหาพุทธรูปสี่ ในเรื่องเรยาบทเนี่ยเอาเวลาเท้าหย่อนลงเนี่ยเพราะว่าปฏิวีทาตอาโปทาตมากแต่เวล า, าขึ้นเนี่ยนะวาโยทาตกับเตโ ช, ท, โชทาตเนี่ยมากจดจึงขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะทําไมจึงเป็นคู่คู่อย่างนี้ทําไมจึงทําไมจึงเป็นคู่คู่แสดงว่าสแสดงว่าธาต อาโปก็ดีกับปัททวีก็ดีเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรที่มีความสัมพันธ์กันสักอย่างหนึ่งแล้วก็เตโชกับวายโยเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีความสัมพันธ์กันอะไรสักอย่างหนึ่งและสองกลุ่มนี้ก็ต้องมีอะไรที่แตกต่างกันอะไรตรงกันข้ามเนี่ยนะรครับท่านเคยคิดไหมอั น, นเนี้ยนะคือคือผมไปเรียนเรียนทางม า, ม า, ม, ามาแบบอาจารย์มินิตเนี่ยนะฮะ แล้ว เ, เอามาคิดดูนะว่าผมผมจับหลักได้อย่างหนึ่งนะเตโชกับวายโญเนี่ยเอ๊ะทำไมไปด้วยกันเตโชกับวายโญเนี่ยเพราะตามตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วนี่นะไอพลังงานเนี่ยพลังงานความร้อนนี่นะนะกับกับวายโญเนี่ยวายโญก็การเคลื่อนไหวนี่ยนยีไอการเคลื่อนไหวของของของของอิเล็กตรอนเนี่ยนะเาเห็นว่า อุณหภูมิเนี่ยกับการเคลื่อนไหวเนี่ยของของอ e ิเล็กตรอนเนี่ยมันมันเป็นปฏิภาคโดยตรงกันเป็นเรียกว่าคู่กันฮะมันเป็นปฏิภาคโดยตรงหมายความว่าถ้าเพิ่มอุณหภูมินะไอการเคลื่อนไหวเนี่ยนะจะเร็วขึ้นนะหรือถ้าเพิ่มการเคลื่อนไหวให้เร็วอุณหภูมิจะเกิดขึ้นเนี่ยน ะ, สะแสดงว่าธาอันนี้เนี่ยขาจะเขาจะไปด้วยกัน แล้วก็มีวิธีคำนวณมีอะไรมาได้ด้วยต้องถามมาจ่าวินิจเนี่ยคำนวณได้ด้วยนะว่าเพิ่มปุทภูมิเท่านี้แล้วมันจะความเร็วแค่ไหนหรือว่าทำให้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ลักษณะที่เป็นวันรุ่มมันเนี่ยนะให้มันเล็กให้มันใ ห, นใหญ่อุณหภูมิอธิบายได้หมดเลยครับสองธาตตัวนี้ไปได้วยกันนะฮะถูกไหฮะอ่าอ่าวันนี้พอมานึกถึงปฐวีธาตุกับออาโปธาตุ นึกยังหายังหาอะไรอ่ะเหตุผลไม่ค่อยได้ทั่วไปแล้วธาตุพวกนี้มันค่อนข้างหนั ก, ก น, นะคือกลุ่มไอ้ปัทวีเอกเพราะปัทวีกาโปนี่มันกลุ่มธาตุหนักเตชโชกับวายวมันกลุ่มธาตุที่มันเบาจริงจริงมันก็ที่เดียวกันนั่นแหละเอานั้นในวัตถุเดียวกันเนี่ยถ้าเพิ่มปัทวีกับอาโปมากขึ้นนะไอ้คุณภาพของวายวกับเตโชมันก็ลดลงถ้าที่ใดเพิ่มคุณภาพของไอ้ปัทวีกับ วายโยเป็นต้นมากนะเออปริมาณของคุณภาพพวกนั้นจะลดลงก็ทําให้รู้สึกอัศจรรย์ว่าโอ้โหทัศธรรมะของพระองค์เนี่ยนะซึ่งสอดคล้องอ่ะคื อ, ค, อคือเราเราเข้าใจทําไมจึงมาเป็นอย่างนี้จัดจัดเป็นคู่ๆอย่างนี้เนี่ยนะเราเราเห็นว่าโอ้เป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้เมื่อหมั่นไปพิจารณาบ่อยๆนะจะเห็นถึงความว่าธาตุแต่ละอย่างไม่ได้เป็นใหญ่ในตัวเองธาตุหนึ่งก็ต้องอาศัยสาม ไอ้ธาตุสาก็ต้องอาศัยธาตุหนึ่งธาตุสองอาศัยธาตุสองเลยนะีทีนี้เมื่อแต่ละธาตุมันต้องอาศัยกันต่อไปเนี่ยนะแล้วนิจจะสัญญามันจะมาจากไหนใช่ไหมในวัตถุนั้นเนะี่ยนิจจะนิมิตก็ไม่เกิดสุขานิมิตในวัตถุนั้นก็ไม่เกิดเนี่ยนะหรืออัตตานิมิตก็ก็ไม่เกิดเพรา ะ, ะนั้นจึงไม่ได้สำนิมิตว่าสําคัญในวัตถุนั้นนะว่าเป็นของเที่ยงว่าเป็นสุขว่าเป็นอัตตาเป็นต้นมันจิตมันก็น้อมไปเพื่อจะ คือจริงๆอะถ้าบอกว่าเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายกำหนักของมันคนเดียวอ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปคิดว่าต้องแหมต้องดึงเอาแบบดอกบัวหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องคือถ้าเห็นภัยของสิ่งเหล่านั้นนะจะบอกว่าถ้าถ้าจับอันนี้มากๆว่ามันเป็นของร้อนนะแล้วมันวางของมันคนเดียวะขอให้มันร้อนจริงเถอะนะอันนี้ถ้ามันไม่ร้อนเนี่ยทำไมฉันไม่วางสักทีหนึ่งอะขอใมันเย็นอ่ะอีกอีกที่นึงอาจารย์ฝากอาจารย์นิดคือถ้าหากว่า ความหมายของอาโปเกาะกลุ่มเนี่ยนะฮะกับตัวปัทวีเนี่ยหมายถึงตัวแมสเป็นหมายถึงตัวตัวตัวเนื้อธาตุเนี่ยน ะ, ะถ้าอย่างนี้พอจะพอจะมองเห็นได้เพราะว่าปัทวีเนี่ยเป็นที่ตั้งโดยศัพท์นะปัทวีเนี่ยเพราะอัจว่าที่ตั้งอาโปเนี่ยเกาะกลุ่มเพราะลักษณะการเกาะกลุ่มเงี้ยนี่นะถ้าไม่มีเนี่ยนะมันจะมันจะอยู่ไม่ได้ดูไหมครับ มันจะทรงเนื้อหาไว้มากถ้าทรงเนื้อหาไว้มากเนี่ยมันก็ต้องเกาะกลุมไว้ไม่มากผมเข้าใจว่าม<น>ันเป็นแรงดดูดระหว่างโพรตอนกับอิเล็กตรนอนแล้วตอนมันก็มีท่านน้มันคือเกาะกลุมอะเกาะกลุมเอาไว้ความดึงดูระหว่างโปตอนอิเล็กตรอนนี่ก็อนนอมองไม่เห็นท่นานนก็อมองไม่เห็นคือว่าความจริงเราไม่ควรจะไปคิดมากขนาดนั้นเนี่ยนะแต่ว่ามันก็อดคิดไม่ได้แต่ว่าคือ แล้วก็มองเบื้องลึกของสิ่งนั้นที่สุดเนี่ยนะของเราก็ยังเอาเบื้องลึกของสิ่งนั้นตามวิชาของเรามาจับใช่ไหมว่าเบื้องลึกของทุกอย่างเช่นของรูปเนีเบื้องหลังมันก็คือมหาพูทธ ร, รูปเอ่ออวินิพกครูป8ดเท่านั้นเองนี่อวินิพกครูป8ดมันเนื่องด้วยมหาพูดสี่เช่นคุณลักษณะของสีกลิ่นรสโอชามันอยู่ที่มหาพูดอย่านะอยู่ที่มหาพูดจริงๆแล้วแต่มหาพูดเช่น ปัทวีมันมีกําลังมากสีก็เปลี่ยนเตโชคสีก็เปลี่ยนปลี่นก็เปลี่ยนรถก็เปลี่ยนโอชาก็เปลี่ยนนะก็ยิงในคําสอนเราก็คิดเรื่องนี้มากคือตรงนี้ครับที่มีความสําคัญคือมันก็ว่าเราจะเห็นว่าอิทธิพลของแต่ละตัวเขาเกี่ยวข้องกันหมดเลยเขาเกี่ยวข้องเต้เราอยากเรียนรู้มันเกี่ยวข้องกันยังไงเราเองแต่ว่าเห็นอยู่แล้วว่าเขาเกี่ยวข้องกันหมดเลย ahu, ใช่คือแนวแนวอย่างเพิ่มอย่างนี้ห น, นึ่งว่าวิชาของทางโลกกับทางธรรมจะต่างกัน ต่างกันตรงวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของทางโลกก็คือเพื่อเพื่อมาส่งเสริมสุขสัญญานิจจะสัญญาอัตตาสัญญาใช่ไหมก็อย่างที่ว่าถ้าใครสามารถหาวัตถุแล้วให้เป็นที่พึงพอใจของคนอื่นได้มากประสบความสำเร็จแต่ของเราถ้าหากว่ารู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นมากตัวเองเบื่อหน่ายมากอันนี้ประสบความสำเร็จต่างกันเยอะนะครับมนโอ้หมันฟ้าก็ต่างกัน ถึงจะค้นไปยังไงมันก็ไม่มีการบรรจบกันในแง่ของจุดประสงค์เนี่ยนะแต่ว่าในส่วนใดที่มันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นความจริงก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าอยู่ในบนหลักของเรียกว่าสัจธรรมอ่ะนะมันก็จะเหมือนกันเพราะไม่ว่าจากจากวิชาใดค้นไปก็เหมือนกันอย่างในทางธรรมก็พูดว่าเอาร่างกายนี้ไม่งามเหมือนทางโลกเขาก็ว่ามันก็ไม่ได้งามนะแต่ว่าก็พิจารณาจนมันงามเอาจนได้หน่ะแหละเพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อส่งเสริมไอวิปปราศอยู่แล้ว อันของเราเนี่ยเพื่อละวิปลาสของเขาเพื่อส่งเสริมวิปลาสนะั่นคือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างต่างทั้งทั้งที่คนในรายละเอียดที่เหมือนกันเช่นนะั้อย่างในร่างสรีระเนี่ยทางธรรมะก็พูดะนะสติปัะฐานเราก็แสดงกันไหมให้พิจารณากายนี้แหละนะเบื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปะนะมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีปการต่างๆ อันนั้นของเราแล้วก็ไล่ไปผมขนเล็บของเราขึ้นต้นเออผมก็สวยนะเล็บก็สวยคือขึ้นต้นด้วยสวยข อ, ของของคังคาสอนบอกมันไม่สวยอย่างเงี้ยนะมันก็คือพูดสิ่งเดียวกันแต่ว่ามองไม่เหมือนกันอนนัอนอก ร, ราบผมนะตัวนั้นมาผสมตัวนี้ผสมจะทำให้ผมเนี่ยเงางามของเราก็บอกว่าผมเนี่ยมันอยู่บนของโโครกนั่นะนะ่นะเหมือนผักในนะ่ะคือคือมันคิดคนละอย่างหมดเลยอ่ะ วัตถุเดียวกันะ่ะเข้าไปเรียนเรื่องเดียวกันอะ่ะแต่ว่ามันคิดกันคนละอย่างอันวัตถุประสงค์ก็แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสาคัญนะว่าก็เห็นโทษว่าถ้าไปเห็นแบบนั้นมากๆอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเห็นแบบพระพุทธเจ้าจะได้อา น, นิสงส์อย่างไรถ้าเห็นแบบอ่าเรียกว่าชาวโลกเพื่อสร้างโลกเ น, นี่ยนะเห็นมีโทษไหมเนี่ยนะแล้วถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าดียังไงเนี่ยนะแล้วก็อย่างว่านะ ตามสูตรของคำสอนคือเห็นโทษของกามเห็นความเศร้าหมองของกามแล้วเห็นอานิสง์ของเนขมมะอริยสัจจึงจะรู้ได้พระพุทธเจ้าจะแสดงอริยสัจของผู้ที่เห็นโทษของกามและเห็นอ น, นิสง์ของเนขมมะแล้วนะตอนท้ายจึงประกาศอริยสัจนั้นของเราถ้าไม่ไม่มีสองอย่างนี้นะโอ้อริยสัจเนี่ยไว้ก่อนเลยนะหมดเวลาไปเยอะคนระับ So